ผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่ยีิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าตรงกับวันแรงแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันพระ เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้แบ่งไว้สำหรับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิต จ, จิตใจคือมาทำบุญทำทานมาสมาทานศีล ร, รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะพัฒนาจิตใ จ, จให้ดีขึ้นให้สะอาดขึ้นให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบ ความพอซึ่งจะเกิดจากการขัดเกลารโดยนําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องชําระจิตใจจิตใจเมื่อได้รับการชรําระด้วยธรรมแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่ปราศจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวสร้างความก้าหายให้กับใจ ใจก็จะอยู่เป็นสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่เพราะว่าใจส่วนใหญ่ของคนเรานั้นขาดการดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเป็นใจที่มีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายมีแต่ความอยากอยากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ฉันอยากใกนกวามสุขอยากได้รูปเสียงกยลิ่นรสผลิตภัพฑ์ที่ถูกอกถูกใจ อยากจะได้เป็นอยากจะได้อยากจะมีข้าวของต่างๆเงินทองอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากจะเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับเคารพนับถือ <c oughs> แล้วก็มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จนเหล่านี้ร่วมเป็นความเป็นความหลงทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้สร้างความสุขให้กับใจเลยแม้แต่น้อยนิดแต่กลับสร้างความทุกข์ให้กับใจให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียอีกแต่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เริ่มเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสี่ยงเสียความทุกข์ความหายนทั้งหลาย เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตัดสรู้ธรรมมีดวงตาเห็นธรรมทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง <c oughs> ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์สุขก็รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรรู้ว่าสุขเกิดจากอะไรเ <c oughs> มื่อรู้แล้วอย่างแน่อย่างแน่นชัดก็นำมาประกาศสั่งสอน ให้ผู้อื่นได้รู้กันผู้ที่ฉลาดเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติเมื่อน้อมไปปฏิบัติแล้วก็จะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะความทุกข์ทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดจาก อะไรนอกจากความมืดบอดในใจของพวกเราทุกๆคนนั่นเองทําให้เราไ่วยคว้ า, วาหาแต่กองทุกข์เข้ามาแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะความเห็นผิดเป็นชอบเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเราจึงก้านหาความทุกข์เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างเวลาที่เราอยากจะออกไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปหาความสุขกับ รูปเสียงกย ล, ล, ลิ่นรสปวดทับภาคเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่าไม่ใช่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์เปรียบเหมือนกับยาเสพติดยาเสพติดนี้ถ้าผู้ใดไปเสพเข้าแล้วถึงแม้จะมีความสุขบ้างในขณะที่เสพแต่ความทุกข์ที่ตามมาจากการติดยาเสพติดนี้มีมากพรอจะต้องสแสวงหาย า, ยาเสพติดมาเสพอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะต้องพาไปสู่การประพฤตินตนผิดศีลผิดธรรมเพราะคนที่เสพยาเสพติดนั้นจะไม่มีเวลา<ม> <c oughs> จะไม่มีเวลาที่จะไปท ร, รมาหากินด้วยความสุดจริญ<ม> <c oughs> เพราะจะเอาแต่เวลามาเสพยาเสพติดเมื่อเสพแล้วก็จะมึนม <c oughs> เมาก็จะนอนหลับนนสลับนอนนอนหลับสลบสลายไปเป็นเวลา ยาวนานเมื่อตื่นมาจากความสลบสไลก์ก็เกิดความอยากที่จะเสพยาอีกถ้ามีเงินทองมีข้าวของพอที่จะไปซื้อไปแลกยาเสพติดมาได้ก็จะไปแลกยาเสพติดมาเสพอีกจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเมื่อหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็จะต้องไปหาเงินทองมาโดยทางที่ไม่ชอบ เช่นไปลักขโมยไปป้นไปจี้ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น mm hmm. เพื่อที่จะได้ น, านํ mm hmm. าเงินทองนั้นไปซื้อยาเสพติดมาเสพนี่แหละคือพิษภัยของยาเสพติดฉันใดพิษภัยของกามคุณห้าที่เราเรียกว่ากามสุขก็เป็นเช่นนั้นกามคุณห้าเวลาเราได้เสพสัมผัสเราก็จะมีความสุข mm hmm. เช่นเราไปดูหนังดูละคร หรือเราได้อยู่ใกล้กับคนที่เรารักเราชอบเราก็จะมีความสุขแต่ยามที่เราต้องห่างจากสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็จะมีความว้าวุ้นขุ่นมัวมีความว้าวเหวมีความเศร้าส้อยงอยหเหงาก็ต้องผลักให้เราออกไปหาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อย เ, เมื่อเราออกไปหาสิ่งเหล่านี้มากๆเข้าเราก็จะไม่มีเวลาทำมาหากินเลี้ยงปาเลี้ยงท้องด้วยความสุดจเจริญ เมื่อไม่มีเมือ่อเมื่อไม่มีเงินทองที่จะเลี้ยงกวักเลี้ยงท้องด้วยความสุดจริญก็จะนำพาไปสู่การประกอบการทุจริต <c oughs> ดังที่เราเห็นอยู่กันทุกๆวันนี้สมัยนี้คนเราทุกคนวิ่งหาเงินทองกันเหมือนกับเป็นพระเจ้าเพราะรู้สึกว่าถ้ามีเงินทองแล้วจะสามารถดนบันดาลความสุขให้กับตนได้ จึงวิ่งหาเงินทองกันแบบไม่คิดถึงว่าจะต้องหามาด้วยวิธีใดถ้าหามาได้ด้วยความสุดจริตก็จะหามาแต่ถ้าหาด้วยความสุดจริตไม่ได้ก็จะหาด้วยความทุจริตโดยไม่เกรงกลัวกับบาปกรรมที่จะตามมาต่อไปการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสุดจริตก็มีผลตามมาทุจริตก็มีผลตามมา สุดจริตทำไปแล้วก็ไม่มีความเสียหายมีแต่ความเจริญตามมาแต่ถ้าทำด้วยความทุจริตก็จะมีแต่ <c oughs> มีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความทุกข์ตามมาแต่เมื่อคนเราติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเลิกได้ก็จะไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาเพราะผลเสียเ่าไี้ ตามมาทีหลังไม่ได้มาก่อนแต่ความสุขที่ได้จากการไปโกงไปคดไปรักไปขโมยเพื่อที่จะได้เอาเงินมาไปซื้อความสุขนั้นมันมาก่อนมันเลยทำให้ไม่คิดว่าไอ้ความทุกข์ต่างๆทั้งหลายจะตามมาต่อไปเพราะคิดแต่แบบสั้นๆคิดแต่เอาแบบสุขเอาเผากินขอให้ได้เสียก่อน ส่วนผลเสียจะตามมาที่หลังจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ค่อยสมใจ <c oughs> แต่ในที่สุดผลมันก็ตามมาทั้งในปัจจุบันชาติและในภพชาติที่จะตามมาต่อไปภายในปัจจุบันเมื่อเลิกประกอบการทุจริตแล้วในใจก็จะเริ่มมีความว้าวุ่นขุนมัวมีความวิตกมีความกังวลเพราะมีชนะติดหลังอยู่ไม่ทราบว่าจะต้องถูกเขา จับไปเข้าคุกเข้าตารางเมื่อไหร่ก็จะไม่ได้อยู่ด้วยความสุขใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่ความหวาดภวาเดินไปไหนมาไหนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกิดความตกใจกลัวขึ้นมาทาั้งๆที่เจ้าหน้าที่ตารวจเขาก็ไม่รู้เรื่องของเราเลยแนมะ้แต่น้อยนิดแต่นี่แหละมันเป็นธรรมชาติของการกระทำบาปทากรรมเมื่อทำผิดไปแล้วมันจะสร้างความ วิตกความกังวลความหวาดกลัวขึ้นมาในใจของผู้กระทํำความสุขที่ได้จากการไปโกงไปขโมยเงินทองมาก็หมดไปแล้วเงินทองที่ได้มาก็เอาไปใช้ไปเสกเสียหมดแล้วแล้วทีนี้ก็จะต้องคอยหลบเจ้าหน้าที่ตํำรวจและนอกจากนั้นแล้วความอยากที่ ที่มีอยู่ในใจก็ไม่หมดไปก็ยังมีความอยากเหมือนเดิมอยู่ก็ต้องหาวิธีออกไปหาความสุขนั้ น, น, นก็ต้องมีแต่ความหวาดระแวงไม่รู้ว่าเมื่อออกไปแล้วจะถูกเจ้าหน้าที่เขาจับตัวเมื่อไหร่นี่แหละคือความเห็นผิดเป็นชอบเราคิดว่าความสุขนั้นอยู่กับกามสุขคืออยู่การได้เสพกาง ได้เสบรูปได้ยินเสียงรสกลิ่นโพธิภพะที่ถูกอกถูกใจเวลาเราเสกเราก็มีความสุขแต่เวลาเราหา่างเราไม่ได้เสกเราก็มีความว้าเหวมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะเป็นเครื่องผลักดันให้เราต้องออกไปหามาเสกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วพะ ในฐานะที่เป็นราชกุมารพระราชบิดาผู้มีความปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้าในครั้งที่เป็นราชกุมาร น, นั้นอยู่สืบทอดพระราชสมบัติต่อไปก็พยายามที่จะห้อมร้อมผู้กามาสุขเหล่านี้ให้ท่านอยู่เพื่อที่จะได้ไม่คิดที่จะหนีออกจากพระราชวังเพื่อออกไปสวงหาความสุขที่แท้จริง แต่ถึงแม้ว่าจะมีความสุขนี้รอบน้อมพระองค์ท่านอยู่แต่ในพระทัยของพระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวและเมื่อได้สัมผัสมากๆเข้ามันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เหมือนกับเวลาที่เราเคยรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ถูกอกถูกใจถูกปากถูกลิ้นของเราเป็นอาหารจานโปรดของเรา แต่ถ้าเรารับประทานไปทุกมือ้อทุกวันแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมางั้นนี่ก็เป็นความความทุกข์อีกแบบหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ได้เสพได้สัมผัสสิ่งที่ตนเองชอบสิ่งที่ตนเองอยากแต่เมื่อเสพไปบ่อยๆก็เกิดความจำเจก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาถ้าเป็นคนฉลาดก็จะเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เป็นความสุขเลย แต่ถ้าเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาก็หาวิธีใหม่คือเมื่อเบื่อสิ่งนี้ก็ไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนเช่นถ้าเบื่อคนนี้ก็หาคนอื่นมาทดแทนแต่มันก็เหมือนกันคนเราเหมือนกันสิ่งของต่างๆมันก็เหมือนกันรูปมันก็รูปเหมือนกันเสียงมันก็เสียงเหมือนกันกลิ่นลดนพดตะเภามันก็เหมือนกัน มันแปลกในตรงลักษณะของมันเทนั้นเองแต่โวยธรรมชาติแล้วมันย่อมสร้างความเบื่อหน่ายให้กับทุกคนเมื่อได้สัมผัสอย่างอย่างอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดความชินชาขึ้นมาทำไมคนเราถึงจะต้องไปเที่ยวกันเพราะเราเบื่อความจำเจเราเห็นบ้านเราเห็นสถานที่ของเราทุกๆวันเราก็เกิดความเบื่อหน่าย เราก็อยากจะออกไปหาสถานที่อื่นก็เลยเกิดในการท่องเที่ยวขึ้นมาเราก็เบื่อบ้านเราเบื่อเมืองเราเราก็ไปท่องเที่ยวเมืองนอกเมืองนากันพวกที่อยู่เมืองนอกเมืองนาเขาก็เบื่อบ้านเขาเขาก็มาเที่ยวบ้านเรา ท, ทั้งที่เราเบื่อแสนเบื่อเราไม่เห็นจะมีอะไรดีแต่เขากลับเห็นว่าบ้านเรามีอะไรดีเยอะแยะไปหมด ในทางตรงแลนข้ามเขาก็เบื่อบ้านเขาเขาก็ไม่เห็นว่าบ้านเขามีอะไรดีแต่เรากลับไปเห็นว่ามันมีอะไรดีนี่แหละคืออำนาจของความหลงที่มันครอบงาจิตใจเราแล้วมันสร้างความรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรดีกว่าที่เรามีอยู่เป็นอยู่จึงทำให้เราลื่นลนขวนขวายเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยไปเปลี่ยนจริงนั้นเปลี่ยนสิ่งนี้ไปเรื่อย ใส่เสื้อผ้าชุดไหนจำเจก็เบื่อก็ต้องหาเสื้อผ้าชุดใหม่มีทรงผมแบบไหนอยู่ไปสักพักก็เบื่อก็ต้องเปลี่ยนทรงผมนี่แหละคือลักษณะของกรมคุณห้ามันไม่ได้สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับเราแต่มันจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับเราถ้าเราได้สัมผัสมันมากจนเกินไป และถ้าเราสัมผัสมันน้อยไปไม่พอมันก็เกิดความหิวเกิดความกระหายอยากจะเสพเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็เลยหาจุดอิ่มจุดพอไม่เจอเพราะความอิ่มความพอนั้นมันไม่มีอยู่ในการมุณทั้งห้าพระพุทธเจ้าผู้ไปมีปัญญาทรงรู้จักคิดเมื่อคิดแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อการมุณห้ามันเป็นอย่างนี้เองไปยุ่งกับมันเท่ า, หาไหร่แพ้ อาศัยมันเป็นสิ่งให้ความสุขมากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้มันมีแต่จะให้ความทุกข์กับคนที่ไปยึดใบหลงไปติดไปเสษกลามคุณห้านี้เมื่อเป็นเะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสวงหาความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสันติสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ใจจะต้องสลัดกามคุณทั้งห้า คือจะต้องไม่ไปแสวงหาจะต้องงดจะต้องรำงับเคยดูหนังดูละครก็ต้องหยุดดูเคยไปเที่ยวก็ต้องหยุดเที่ยวเคยกินเหล้าเมายาก็ต้องหยุดหยุดกินเคยเสพมะกามเคยมีคู่ครองก็จะต้องละเว้นจากการมีคู่ครองไปซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับคนทั่วๆไปเพราะว่าคนเรา ทั่วไปนั้นยังถูกกำนาจของความหลงครอบงำอยู่ยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่หรือว่าถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ไม่มีกำลังพอที่จะสลัดให้สิ่งเหล่านี้หลุดพ้นไปจากใจของตนเองได้มีคนไม่กี่คนเท่า น, นั้นแหละที่มีความสามารถมีความมีความอดทนมีขันติ มีความภาคเพียนที่จะต่อสู้กับสิ่งกับการไปยึดไปติดในกามคุณทั้งห้านี้แต่ถ้าทำได้แล้วจะประสบกับสิ่งที่เราจะไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงเป็นความเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่เลิศพระพุทธองค์ทร ง, สงสแสดงว่าสุขอันใดในโลกนี้ไม่มีความสุขอันใด จะประเริฐจะดีเลิศเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจก็คือสันติสุขนั่นเองสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องละกามาสุขก่อนพยายามลดละกามาสุขไปเท่าที่เราจะทําได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกไปเลยในทีเดียวเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกับการตัดตัดต้นไม้เราจะไม่สามารถฟันต้นไม้ให้ขาดด้วยการ ฝันเพียงครั้งเดียวแต่เราต้องค่อยๆฝันไปเรื่อยๆฝันไปเท่าเล็กเท่น้อยไม่ช้าก็เร็วต้นไม้ต้นนั้นก็จะต้องถูกตัดขาดอย่างแน่นอนถ้าเรามีความอดทนเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะลดละในการกระทำสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นโทษไม่ใช่เป็นความสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุ ข, สขถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะค่อยๆทาไป ตามกำลังของเราเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างน้อยที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงกำหนดอุโบสถศีลให้ไว้รักษาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอุโบสถศีลก็เป็นศีลที่เพิ่มจากศีลห้าศีลห้านี่เป็นศีลที่เป็นปกติของชาวพุทธเราอยู่แล้วคือพุทผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่แท้จริงที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธนั้นจะต้องมีศีลห้าประจำใจ จะต้องรักษาศีลห้าเป็นปกติทุกๆวันแตเ่เมื่อมาถึงวันพระวันวันโบสดก็จะถือศีลเพิ่มอีกสาข้อได้แก่การละเว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิการคือตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้วสองละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆหรือการแต่งกายด้วยเครื่องที่มีสีมีสรรันมีกลิ่น ต่างๆเป็นต้นและละเว้นจากการนอนบนเตียงฟูกที่ที่หนาที่นอนแล้วนอนหลับสบายคือต้องการให้ละกามาสุขนั่นเองจึงได้ทรงกําหนดอุโบสถศิลขึ้นเพื่อให้เราได้รู้จักเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบบ้างเช่นเวลารับประทานอาหารนี้เรารับประทานอาหาร ด้วยเหตุผลสองอย่างด้วยกันเหตุผลอันแรกก็คือเราร่างกายขาดอาหารต้องมีอาหารไว้รับประทานเลี้ยงดูร่างกายร่างกายถึงจะอยู่ไปได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็เลี้ยงดูความอยากไปด้วยคือความอยากในรสชาติกิ่นของอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราจะเลือกอาหารที่ถูกปากถูกใจถูกคอของเรา เพื่อกินไปแล้วจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำก็ได้การรับประทานอาหารที่แท้จริงนั้นควรจะรับประทานอาหารด้วยเพียงเหตุผลนั่นเดียวคือรับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่ให้หิวอาหารจะเป็นชนิดไหนก็ไม่สำคัญขอให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วทำให้อิ่มท้องก็เป็นใช้ได้นี่ตังหากคือ เหตุผลที่เราควรจะรับประทานอาหารกันแต่คนส่วนใหญ่นั้นยังมีความหลงอยู่ mm hmm. ก็เลยเห็นว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการของการมรด mm hmm. เวลารับประทานอาหารจึงมีความพิถีพิถันมากจะต้องเลือกเป้นอาหารชนิดที่ถูกปากถูกคอถูกใจของตนมารับประทานเลยกลายเป็นปัญหาทาให้ต้องติดกับเรื่องการรับประทานอาหาร แต่สำหรับคนที่ไม่ไม่ไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากในการมาลดแล้วจะรับประทานอาหารแบบง่ายและไม่ต้องรับประทานอาหารบ่อยบางคนรับประทานอาหารวันละมื้อเดียวก็อยู่ได้แต่คนที่รับประทานอาหารเพื่อการมาลดนั้นบางทีรับประทานอาหารพึ่งเสร็จไปหยกๆยกท้องเองแน่นอยู่แต่เมื่อใจเกิดนึกถึงอาหารหรือขนมที่ตนปโปรดขึ้นมา ก็ยังมีเกิดมีความอยากที่จะรับประทานต่อไปอีกจึงทำให้เกิดเป็นโลคน้ำหนักเกินขึ้นมาเป็นโรคอ้วนกันขึ้นมาแล้วเวลาที่จะลดน้ำหนักนี้ก็จะรู้สึกว่ายากเย็นลำบากเพราะว่ามันเป็นการฝืนใจมากทีเดียวคนเราจะมีปัญหามากเพราะการไม่รู้จักความพอดีไม่รู้ไม่มีเหตุผลในการกระทาทาอะไรนักแคกระทไป ด้วยอารมณ์คือความอยากเลยทำให้กายเป็นทาตของความอยากแล้วความอยากนี้ก็เป็นเครื่องมาทำลายตนคนที่รับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นก็จะเป็นโรคอ้วนขึ้นมาแล้วก็จะมีโรคต่างๆตามมาโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไป แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายก่อนวัยอันควรแทนที่จะอยู่ไปแล้วมีความสุขก็ต้องตายไปก่อนวัยนี่แหละเพราะอำนาจของความหลนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราในวันพระวันอุโบสถนี้มาสมาทานศีลอุโบสถกันถ้าอยู่ในวัดไม่ได้ก็ให้สมาทานศินแปดสินอุโบสถกับสินแปดต่างกันตังที่ว่า ถ้าสมาทานศีลอุโบสถก็หมายถึงจะต้องอยู่ในพระอุโบสถเคย อ, อยู่ในโบสถ์อยู่ในบริเวณวัดไม่กลับไปที่บ้านเพราะเวลาเรากลับไปที่บ้านนั้นมันจะมีเครื่องยั่วใจเยอะคนในบ้านคนที่เขาไม่ถือศีลเขาก็จะกินเหล้ากันเขาก็จะกินอาหารเย็นกันเขาก็จะดูหนังดูละครกันฟังเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราไปอยู่ในบ้านใจของเราก็จะ ถูกสิ่งเหล่านี้มารบกวนแล้วดีไม่ดีก็จะไม่สามารถรักษาสีนุโบโสดไปได้เพราะบางทีคนที่ในบ้านนั่นเองเห็นเราไม่กินข้าวก็เกิดความสงสาร mm. เกิดความห่วงใย mm. ก็มารบกวนเรามาขอร้องใหเรากินเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาถ้าเราไม่กินมันก็วุ่นวาย mm. ก็เลยในที่สุดก็เลยต้องกินไปเพื่อที่จะระ ง, งับความวุ่นวาย ที่คนอื่นเขาจะมาคอยรบเร้าเราเนทะ่านั้นแหละการถือศีลแปดกับศีลอุโบสถจึงต่างกันตรงนี้ศีลอุโบสถหมายถึงว่าให้เราหาที่สงบที่สงัดวิเวกไม่จําเป็นจะต้องเป็นวัดก็ไม่ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นในบริเวณพระอุโบสถก็ได้เช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาที่ไม่มีใครมารบกวนเราเราอยู่ตามบลุมถามแล้วอย่างนั้นก็ใช้ได้ เพราะถ้าเราอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วกิเลสคือความอยากในกลางมันจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดมันก็ไม่ไม่รุนแรงเพราะว่ามันไม่มีสิ่งมารอตาล่อหูล่อจมิลรอ่อลิ้นรอ่อกายเราแต่ถ้าเราไปอยู่ในบ้านแล้วรับรองได้ว่าการรักษาศินแปดนี้จะเป็นการรักษาที่ลำบากมากแต่เรารักษาได้เพียงแต่ว่าเราต้องฉลาด เราต้องรู้จักวิธีเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องช่วยให้เรารักษาศีลแปดนี้คืออุโบสถศีลนี้ก็คือเราต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากกามาคุณทั้งหลายนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระแสวงหาที่สงบสงัดตามป่าตามเขาเพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่อํานวย ที่จะทาให้จิตของเราสงบทาให้จิตของเราเย็นจิตของเราสบายจิตของเรามีความสุขมีความอิ่มและมีความพ อ, อดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขภายในใจคือความสงบจึงต้องคำนึงถึงสถานที่ควรจะหาสถานที่ที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากกรามคุณทั้งหลายที่เป็นเครื่องยั่วยวนกวนใจ ถ้ามาอยู่ที่วัดได้ก็ควรที่จะมาอยู่ที่วัดถ้ามีที่ที่ดีกว่าวัดเพราะว่าบางวัดก็อาจจะไม่ค่อยสงบก็อาจจะต้องออกไปหาวัดที่ไกลจากบ้านจากเมืองวัดที่อยู่ตามชนบทวัดที่อยู่ตามป่าตามเขาถ้าเป็นเช่นนี้แล้วโอกาสที่จะทำให้จิตสงบนั้นจะมีมาก และโอกาสที่จะรักษาอุโบสถศีลก็จะเป็นไปได้ด้วยง่ายแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของเราคือเมื่อจิตของเรานั่นสงบตัวลงเราจะรู้เลยว่าความสุขต่างๆที่เราเคยสัมผัสมาในโลกนี้ก่อนหน้านี้นั้นไม่มีความสุขใดที่จะเสมอเท่าหรือดีเท่ากับความสุขที่สงบ เป็นความสุขที่นิ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการรวมตัวลงของจิตตัดความอยากในการมคุณทั้งหลายได้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเพราะเวลาเราอยู่ในสังคมนั้นเราจะเห็นแต่คนเขาพูดกันแต่ความสุขที่เกิดจากการมีสมบัติเข้าของเงินทอง ความสุขที่เกิดจากการได้ไปเที่ยวไปกินไปเสพอะไรต่างๆกันเมื่อเราอยู่ในแวดวงแบบนั้นได้ยินแบบนั้นเราก็หลงเชื่อตามเขาไปเพราะในใจของเราก็มีเชื้ออยู่แล้วก็คือความหลงใจของเราก็มีความชอบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราก็เลยต้องเราก็เลยไปตามเขาไปหลงตามเขาไป วันวันหนึ่งก็มัวแต่ว่าวุ่นกับการหาเงินหาทองเมื่อได้เงินทองมาแล้วก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อไปแลกพวกกลางมาสุขทั้งหลายมาเสพเมื่อเสพเสร็จแล้วก็เพรียก็นอนหลับนุกขึ้นก็ต้องเดินไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่ในวัฏจักรแบบนี้ก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานสักเท่าไหร่เพราะเดรัจฉานเขาก็มี ชีวิตของเขาในลักษณะนี้เขาก็หาออกชเช้าก็ก็ออกไปหาอาหารหาของกินมาเมื่อเขามีกําลังมังชาเขาก็หาหาคู่มาเสพหาความสุขทางกามาสุขแล้วเมื่อเขาเสพเสร็จแล้วเขาอ่อนเพลียเขาก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมาเขาก็ออกไปทำหามาแบบเดิมๆอกีกชีวิตก็จะวนเวียนไปอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงอายุ ถึงจนกระทั่งวันตายเลยแม้กระทั่งอายุขนาด72ปีแล้วก็ยังมีความกระหายมีความกระอยากอย่างที่มีข่าวว่ามีชายคนหนึ่งอายุ72ปีเป็นฝรั่งอยู่ประเทศเยอรมันมีเงินอยู่ประมาณ 6-7 ล้านบาทประกาศบอกเลยว่าถ้ามีหญิงสาวคนใดที่อายุต่ำกว่า30 สามารถมาให้เขามีความสุขจน ก, กระทั่งเขาตายไปจากเธอในขณะที่มีความสุขนั้นได้เขาขอมอบมรดกที่เขาไม่อยู่ทั้งหมดนี้ให้กับหญิงสาวคนนั้นเลยนี่แหละนั้นอำนาจของกา마ตากามาตันหาความอยากในกาลมันไม่ได้อ่อนมันไม่ได้หมดมันไม่ได้ไ ป, ไปตามวัยของคนเลย เ, เพราะว่าใจของคนเหล่านั้นไม่มีอายุไขมันไม่เสือ่อมมันไม่แก่มันไม่ชรา ใจมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นของมันมาจากแรกเดิมเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปมันก็เคลื่อนออกไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่เมื่อได้ร่างกายอันใหม่มามันก็เสพการต่อถ้าเป็นเดรัจฉานมันก็เสพการแบบเดรัจฉานถ้าเป็นมนุษย์มันก็เสพการแบบมนุษย์ถ้าเป็นเทพก็เสพการแบบเทพถ้าเป็น เป็นสัตว์นรกมันก็เสพไปแบบนรกสัตว์นรกไปไม่มีที่สิ้นสุด<ม>แต่ถ้าเราเริ่มลดละสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปเราจะเริ่มเสพความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตถ้าเราตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมเ พ, พราะพรหมก็คือผู้ที่เสพความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบของใจนั่นเองแล้วถ้าเราได้พบพระพุทธศาสนา เราได้ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้เจ้าทรงสั่ง ส, สอนคือให้เห็นโทษของการมาสุขแล้วตัดการมาสุขได้ด้วยปัญญาหรือวิปัสนาเราก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้เป็นผู้ที่ตัดความยินดีในการมาสุขได้ไม่มีความต้องการที่จะต้องเสพเสกการมอีกต่อไป และถ้าได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปมีปัญญา